กาปฏิบัตินี่ก็ต้องมีสติปัญากายเป็นประจำตามวิชากรรมฐานนั้นกกายเป็นหลักฐานเอาสติเป็นการศึกษาก็ปเห็นการตามที่วจชา สอนไว้ในวันเป็นเดือนหกพระองค์กู้เขินเข้าเหยเี่อเฉนออกหอรู้จึกตัวไอสัม <c> ป <oughs> ัดกับควงรู้จึกตัวที่มีกายที่เป็นรุ่นเป็นก้อนจริงๆตั้้งไว อย่างใดเกิดขึ้นกับกา๊ายก็ให้รู้จักตัว <c oughs> อย่าหนีออกไปให้มีที่ตั้งเข้ามาตั้งไว้เมื่อหลุดออกก็มาตั้งไว้อีกแล้วก็ตั้งไข่ล้มแล้วตั้งขึ้นอีกล้มแล้วตั้งขึ้นอีกเดี๋ยวก็จะตั้งได้มั่นดีแล้วก็หลุดไปเรื่อยเพราะไม่เคยฝึก ลุดไปในรูปในรดในกินในเขียงในความคิดก็ไปก็มีวัตถุอาการที่เหมือนเคยหลุดออกที่มันเคยไหลไปตาเห็นโลกก็ไหลไปหูที่ยิ้เขียงก็ไหลไปจมูกได้กินลิ้นในรดก็ไหลไป ลกลับมารู้จักตัวเวลาใดที่มันหลุดออกไปได้กลับมารู้จักตัวนี่คือศึกษาถ้าไม่กลับมาไม่ใช่ศึกษาศึกษามันต้องเห็นจริงเ่านี้ว่าเราเป็นหลักอยู่แล้วมีหลักอยู่แล้วกลับมาตั้งไว้ตาม บาลีบทที่มีดุ้นเป็นก้อนจริงๆสัมผัสได้จริงๆนี่คือกายเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่คิดเดาเป็นดุ้นเป็นก้อนสัมผัสย <c oughs> อมรู้จึดตัวมาสัมผัสกับกายเคลื่อนไหวมันก็ต่างกั ก, กับวันที่มันคิดไปที่มันหลงไป อะไรก็ตามที่มันหลุดออกไปก็ถือว่ามันหลงไปแล้วลกับว่ามรู้ไม่จะต่างกันอยู่ระหว่างความหลุดออกไปกับความรู้จักตัวนี่มันต่างกันอยู่ให้สัมผัสเราตรงนี้เมื่อมีจติดูแลกายอยู่เป็นประจำก็เห็นเรื่องที่เกิดกับกาย ม, มากมายเมื่อกระ พราแม่ดูแลลูกอะไรเกิดกับลูกก็พ่อแม่ก็เห็นแ <c oughs> ม่เห็นกับคุ้มครองป้องกันลักษาก็ปลอดภยัยเราคุ้มครองอะไรก็เห็นภัสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราคุ้มครองนั่นแล้วก็ได้ แก้ไขอันที่มันเกิดไม่ดีให้มันดีขึ้นมาได้ก้นคลองบ้านเรือนก็เห็นภัยที่เกิดจากบ้านเรือนที่มันทำหมชุดสมเห็นปวกเห็นหมอดจินอะไรรักษาบ้านเรือนก็อยู่ได้ลานเวลาอะไรที่เห็นมันคิด มันก็เห็นจิดที่มันคิดก็เห็นอีกจะได้คุ้มของกิตอีกดูกายเคลื่อนไว้เห็นใจมันคิดก็ก็มีกําลังไปดูกิตอีกคุ้มของจิตจิต ก, ก็ปลอดภยัยอันตลายศัตรูที่เกิดกับจิตก็มีเยอะแต่อย่าหลงไปอยู่ในความคิด ที่มันดึงให้หลุดออกไปกลับมาตั้งไว้ที่กายเหมือนเดิมจิตมันจับมาได้เหมือนกายกาะไม่ได้เหมือนกายกู้ฉันเข้าเหยื่อฉันออกมันมีกําลังพอทําให้รู้สึกตัวขึ้นมาได้ง่ายไม่ใช่คิดเอาอาศัยธรรมชาติที่มันเป็นไปเองมันไม่ค่อยจะทันมันเจตนาทําเป็นรุ่นเป็นก้อนเป็นหลักเอาว่าอย่างนี้ เมือนเราไปหลักเกาะไหวในการน้ำที่มันไหลอาศัยที่เกาะไหวก่อนต่อไปที่ยังไม่ยังไหวน้ำไม่เจ่งก็เกาะไหวก่อนโดดออกไปก็กลับมาเกาะไว้อีกต่อไปมันจะเข้มแข็งตอนที่มันรู้จักจกลับมาทวนกระแสกลับมาว่จาจะเข้มแข็งแก่กล้าขึ้นหนียวแน่นขึ้น ง่ายขึ้นจะดวกขึ้นเรียกว่ากลับเรียกว่าทวนกลับปฏิบัติคือกลับมากลับมาลู่จิกตัวกลับมาลู่จิกตัวนี่มันเป็นการฝึกให้มีความเข้มแข็งจำนี้จำนานเป็นเช่นนั้นประสบการณ์บทเรียนที่มันผิด ได้เป็นความถูกขึ้นมาอันนี้เดีว่ามีบทเรียนที่ดีระจบการณ์ที่ดีของผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติต้องทาเอาเองไม่มีใครทำให้ได้รักษาของใได้รักษาของปลอดภัยให้เกิดกับกายกับใจนี่ มันถูกที่ฉุดแล้วถ้ากิดเราดูแลอะไรดูแลป่ารักษาป่าดูแลไก่ก็รักษาไก่ดูแลกรบลอกก็รักษา ก, กับลอกเห็นภัยที่เกิดจากการลอกเห็นแมวมาลอกกัดเราก็จานานในการเห็นศัตรูเห็นค่าศึกที่เกิดกับกับโลก แล้วก็ป้องกันได้เวลาแมวมันจอบมาแล้วก็เดียไล่กันโลกอะไรไล่ลกันไล่แบวหนีเดียไล่แมวหนีแมวก็หนีเวลาเราไล่มันก็ติีไปมันกลัวหมาหมาเจนก่เราไล่หมาหนีหมาก็กลัว ไล่สองข้างสามข้างหนาก็กลัวไม่กล้ามาถ้าเราไม่ไล่มันก็มากินจนหมดเคยมากัดแมวมากัดกับลอกก็กัดกับลอกอยู่พอเราเดิไล่มันให้มันกลัวสล้วจะคลั้งสองข้างสามข้งมันก็ไม่มาจะลอกก็ปลอดภยัยไก่ก็ปลอดภยัยเช่นนี้ ถ้าเราไม่ดูแลอะไรแล้วก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรไม่เดอของทีจะเสียหายเกิดขึ้นเรามีชีวิตอยู่จริงแต่ว่าไม่มีประโยชน์หลที่เป็นการคุ้มครองสิ่ที่มีอยู่มันก็เลยไม่เหลืออะไรเรามีกายมีใจไม่ได้คุ้มครองกายใจก็ไม่มีกาย กายก็เพิ่งไหม่ได้ใจก็เพิ่งไหม่ได้การดูแลกายการดูแลจิตใจที่มีสตีนี่มันมีเส น, นสงมากที่เหมือนเคยมีเคยผ่านที่หลงเคยใช้รับใช้ อ, อื่นๆนั่นจะหมดไป ความหลงก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะหมดไปความโกรธรู้อะไรก็จะหมดไปคําว่าเราเห็นมันเราได้เป็นผู้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นก็ปลอดภัยได้แล้วไม่เข้าไปเป็นปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมากับกายเราเห็นมันอะไรเกิดขึ้นมากับใจเราเห็นมันหรือว่าเป็นเจ้าของได้หัด น, นี้ เลยพูดว่าเป็นผู้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นเนี่ยสามกันตรงนี้สะดวกมากขึ้นถ้าได้เห็นเราง่ายถ้าเปลี่ยนมันก็ยังไม่ง่ายว่าเดี๋ยวหัดใหมันเห็นมันก็เลยง่ายขึ้นง่ายขึ้นจะเป็นสมาธิก็ว่าได้ ว่ามันเห็นเนี่ยเห็นจนถึงว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มันก็ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นก็ว่าไม่เป็นอะไรที่มันสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจเนี่ยมันสุดยอดแล้วการรักษากายก็ปลอดภยัยการรักษาใจก็ปลอดภัยแล้วไม่มีภัยแล้วอีวิธีไม่มีภยัภย ก็เรียกว่าพระอธิจ้าได้มีติเป็นหน้าลกมีติเป็นเจ้าของอย่างนี้ก็มีข้ามากขึ้นชีวิตได้มีที่อาศัยได้บัดน้เมื่ออาศัยได้มันไม่เป็นอะไรเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ถึงเวทล้อมหรืออะไรก็จะเกิดขึ้นมาเป็นการครบวงจรสุขภาพก็จะดีและเบียบ์พไหนยก็จะดีจะเป็นอาชีพอาชีพก็จะดีไม่มีการแบ่งปัน เออไม่มีรั่วไหลก็มีศีลก็มีสมาธิก็มีปัญญากําลายความมม้หลงงมงายลงได้เคยเสี ย, เ, ยวเวลากับความหลงเสียวเวลาความโมะเสียเวลาความสุขความทุกข์มันไม่เสียวเวลาไปมันก็มีพลังไม้แต่ปรับัติใช้ อ, อื่น จึงเป็นการควบวงจรไปหลายอย่างสังคมก็จะดีไม่ทำให้ตัเดินเดือดร้อนมาทําให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าทําความดี <c oughs> มีกายก็มีทวันทํ า, าทให้เกิดความดีได้นีใจก็มีความคิดนึกแสดงออกทั้ง กายวาจาได้อที่เป็นความดีแล้วก็มีงานในการชอบกันมามีคมพูดที่สื่อสารกันได้บอกผิดบอกถูกได้พิสูจน์กันได้ถ้ามี้าค้น่าเขาหลงก็มไม่ก็มไม่หลงก็มี จะมีผู้บอกอย่างนี้เวลาเราทุกก็ไม่ทุกก็มีจะมีผู้บอกอย่างนี้แล้วก็จะได้เห็นกระแสได้นำไปปฏิบัติจากคนหนึ่งสองคนสามคนไปเป็นเมีเป็นเพื่อนมีกัะยะลยาณมิตรเกิดขึ้นคนดีเกิดขึ้น เมื่อคนดีเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็มั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้ า, จ า, จาสอนเสลิมพระสัรีบทพโมคคัลาผู้กัลายที่ไดพุดทธบริจัตมั่นคงสรีบุ่บวนที่ไหนพุทธบริจัตก็มั่นคงอนุทะอยู่ที่ใดมหาการว่าอยู่ที่ไหนสอนลิตก็มั่นคง ก็ช่วยการเกิดพุทธพุทธบริจัทแน่นหนาขึ้นเป็นคนดีเกิดขึ้นกนก็ไม่ใช่เป็นก้อนหินสามารถแสดงออกได้แล้วก็มีแต่คนที่ไหนก็มีแต่คนแล้วก็มีวัตถุอาการต่างๆเป็นนั่นจริง เป็นการจึกษาที่สมบูรณ์ท่เป็นความสุข ก, ก็เป็นความสุขสมบูรณไม่ใช่สุขแบบอาศัยมิตรอาศัยวัตถุเจ้าของเป็นความสุขที่เป็นไม่มีอะไรอาศัยเห็นนี่ล่ะมิสุขสุขไม่ต้องอิงอะไร เราพูดเราก่นเหนือฉุกเหนือทุกเหมือนคนเป็นโลคขีกากรักษาขี้กากให้หายแล้วแต่ก่อนในขี้กอ ก, กแล้วหลังมันคันก็ได้เกาดันเป็นความฉุขแบบอามิตดได้เก า, ท, ท, กาที่เหมือนคันขี้กากขี้เกลื่อนจึงมีความฉุกวันนี้รักษาขี้กากให้หายจะเรียกว่าฉุกหรือไม่ก็ไมลูกจะเรียกไง คือไม่ต้องเก่าอีกแล้วไม่ต้องไปหลงไปโกรธไปทุกข์อีกแล้วอะไรก็าบหรือไม่มีแต่ทุกข์นนนเกิดขึ้นมีทุกข์ต่นนันตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ตนนั้นดับไปจนพระเจ้าสอนเทศกันแรกคนัญญาลู้ตาม ก็เป็นหลักฐานมายังกินจิตสมุทัยธรรมมังสะพันธ์นิโรธรรมมันติอย่างใดจิงหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาจิตแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดายกนิ้วให้กับคำสอนว่าธรรมเนี่ยประเสริฐจริงๆสามารถพิสูจน์ได้จริงๆ จ, งจึงว่าแน่แล้วแน่แล้วอย่างใดเกิดขึ้นอย่างนั้นเป็นความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยที่จุด แล้วแน่นอนแล้วยกโปได้ชื่อว่าสมมาสมพระเจ้าตอนนี้แต่ก่อนยังไม่ได้ชื่อว่าสมมาสมพรเจา้าเพราะยังไม่สอนกน็อดื่นในรูดตามพอสอนก็ในรูดตามก็ชื่อว่าสมมาสมพุทธโธได้เต็มอัตตาเต็มเต็มมาจจธนเต็มรอบ มาเช่อตาคือยึดมั่นถือเงนินนะ่ะยึดมั่นในธรรมธรรมไปสนหน้าธรรมไปที่พึ่งได้อาศัยเดือไม่เป็นที่พึ่งได้แล้ววัปก็มั่นใจอย่างนี้ก็เห็นเป็นหลักเป้นฐานจริงๆในคำสอนในธรรมะเนี่ยปิดถูก มันก็มีสิ่งที่หลวงบอกจริงๆเกิด จ, จะกการจิตใจเรานี่ตอบได้ทุกชีวิตว่าแต่มีจิตใจดูแลกายใจสติเป็นเจ้าของกายสติเป็นเจ้าของจิตใจเห็นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับกากับใจที่ไม่ใช่สติอันจะต่างกันอย่างนี้ก็ํานาน ในกายในใจไม่จะต่างกันอยู่เป็นตัวจะต่างกันอยู่เพราะมีเพราะมั <c oughs> เนเป็นรูปเป็นนามแยกแยะได้รูปคงเป็นรูปไม่ได้เป็นอื่นไปนาก็เป็นนามตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนาม ลูกมันเป็นลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามมาทธรมแต่มันก็สัมผัสได้สำหรับส่วนตัวของไข่ของเรานี่ปัญหามะทธรรมเช่นตีก็ออกอย่างนี้ทำไมวิภาคลูกน้มแหวงเป็นแหวงออกเป็นทีอยางอะไรบ้าง แบ่งให้ดูแบ่งรูปนามให้ดูมีเป็นกี่อย่างมีอะไรบ้างเริ่มนามคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นรูปนามรูปความเป็นรูปแบ่งเป็นสองได้สองคือรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั่นเป็นนามเราจะตอบก็ตอบก่อนี้ก็มันเห็นอย่างนี้ รูปทำน้ำทำมันก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ช <c oughs> าตินาแล้ก็ไม่เที่ยงรันยาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงมียานก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันจะเหลืออะไรอันแบ่งให้เห็นเรียกว่าตีละครละปริญญาแยกแกแกงออกไม่มีอะไรเหลือจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรเลย ในรูปในนามนี้เมื่อไม่เป็นอลายในรูปในนามนี้เมื่อก็เหนือการเกิดเจอเจ็บตายได้พ้นทุกข์ได้พ้นปัญหาได้ไม่มีอะไรจะมาเป็นตัวเป็นตนโลกก็ไม่เที่ยงเกิดกันแล้วดับไปไม่แล้วหายไปตั้งที่เป็นสังขารมีสังขารก็หายไปได้ ลูลกร่างกาจิตใจและรูปธตามนามตามทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่เป็นสังขารและวิสังขารไม่เที่ยงทั้งนั้นสังขารมีวิญญาณของสังขารไม่มีวิญญาณของไม่เที่ยงทั้งนั้นอย่างคนทุกวันนี้นักวิชาตจะเรื่อ <c oughs> <c oughs> งลโลกโลก มันมันจะหมดไปเรื่อยจุบหายไปเรื่อยไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ก็อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมันก็วิตกังวลบางทีก็ว่าประเทศอย่างประเทศอะไรมารา ย, ยาทหือะไรนี่ว่าโลกจะแตกแต่พระเจ้ารวมมาแล้วเรื่องนี้ สองพันหรยปีมาแล้วมาไม่เที่ยงเราถ้าเราไม่รู้ก็ไปยืดเอาแม่ ต, คม ต, ววต่ความจุกก็ยืดเอาว่าเป็นตัวว่าตนของเราความทุกข์ก็ยืดเอาว่าตัวว่าตนของเราแม้แต่มันคิดก็ไปยืดในความคิดให้ความคิดไปเป็นจุเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เบาบางเหลือเกิน ีจิตมีใจก็เพิ่งจิตใจไม่ได้อันนี้มีกายก็ไม่มั่นใจล่ากายจะทงออกอะไรที่มันเกี่ทุกับรูปก็เป็นสุขเป็นทุกข์กได้วางทีต้องไปติดเสพติดไอ้ค็วัตถุที่มันติดใจกายไปิไปเสพไ ป, ไปติดเอา มันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็นตลอดทั้วันนี้เช่นยอมมากกระฟายก็เป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อไปเมื่อมาติดแล้วมื่อมาได้เจ็บสิ่งที่เจ็บติดนั้นก็เลือดร้อนเกินข้ากันคนดีถุกค่าถุกทํำลายไปเยอะเพราแม่ก็ค่าได้ แล้วก็ให้หลงไปอีกมันติดได้รูปดีดามนี้ <c oughs> ใช่ไหมเป็นก็ลว้เป็นทุกเป็นโทษได้แต่ใช่เป็นก็เป็นประโยชน์จะมังหัดใช้รูปใช้ําให้มันถูกต้องซาจะได้ไม่ ม, ม, มีทุกข์ไม่ีโทษจะได้ปลอดภัยในโลกด้วยกันทุกความสันติสุข อาช่ยรูปให้ถูกให้รู้จักตัวเนี่ยอะไรแล้วเกิดขึ้นมากับรูปรู้จักตัวร้อนก็รู้จักตัวหนาวก็รู้จักตัวเจ็บปก็รู้จักตัวไว้ก่อนหิวก็รู้จักตัวไว้ก่อนเข้ามารู้จักตัวรู้จักตัวก็มีปัญญาเกี่ยวข้องกับที่มันเกิดขึ้นนั่นนานที่มันคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้จักตัวซะ ปกติอาจจะเคยกินที่มันเคยไหลเคยเป็นอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามกับปายกับมานก็กลับมารู้จักตัวสอาได้สอนตัวเองไม่จนเป็นผู้ไม่จนไม่จนใจถ้าเราไม่ฝึกก็จนจนรับใชจสิ่งที่มันเกิดขึ้น เวลามันโกรก็ทำตามความโกรธเวลามันทุกข์ก็ทำตามความทุกข์แสดงออกแล้วโตัวเองเดือดร้อนคนดือดร้อนได้เรองเรจึงพากันมาพวกเนี่ยมาใช่อย่างอื่นดอกมาใช่เพื่อลัดเจ้ารัดทินนิกายพวกพ่องบริวานรนั่นลายชวนกันมา โอบเดียวการเกิดเจ็บเจบตายด้วยกันมาศึกษาเรื่องนี้เป็นทางออกก็ี่ทามันมีอยู่ไม่ใช่เป็นจำนวนไปยอมมันหัวล่อรองให้อยู่ที่นั่นเมื่อใดที่ท่านเป็นทุกข์คนที่ไม่เป็นทุกข์เหมือนท่านทุกข์ก็มีอยู่เอาไรที่ท่านมีปัญหาคนที่ไม่มีปัญหาก็ยังมีอยู่ มาชวนกันอย่างนี้แน่นอนต้องเจ็บต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีใครที่เหนือจริงเหล่านี้ดูในความไม่เที่ยงท่านนั่นอยู่ในความเป็นทุกข์ต้องนั่งไม่ใช่ตัวตนต้องนั้นไม่มีใครเป็นใหญ่บันได้เราจะมาควรประมาทอีกวิตยังมีอยู่ยังพอทําหน้าอยู่ก็มัน ใช่อะไรมาได้ก็ก็ เ, เสียชาติไปเฉยเฉยเนี่ยมาใช้ชีวิตเอส่วนนี่ลองดูร่วมกันลองดเเูเป็นเพื่อนกันลองดูศึกษาลองดูเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้ทุกคนก็จะตอบได้ทุกคนนั่นแหละไม่ต้องอาศัยให้คหอืนสอน เราจะรู้จักสอนตัวเองสอนกายสอนใจตัวเองผิดถูกรู้เอาเองได้เคยแจ้งความผิดที่เป็นความถูกทำอย่างนี้อย่างนี้เคยแจ้งความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เคยทำอย่างนี้อย่างนี้ถ้าจะทำเป็นเองพระพุทเจ้าก็บอกเป็นผู้บอกส่วนการกระทำเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายสอนใจ เลื่อมใสในคำสอนปฏิบัติตามคำสอนนั่นนำไปปฏิบัติเมื่อท่านรู้แล้วท่านจะบอกคนอื่นให้รู้ตามด้วยอีกเป็นเช่นนั่นไม่มีใครปิดบางการพานท่านรู้เรื่องนี้เดี๋ยวว่าคนใบก็พูดเป็นตาบอกก็เห็นผล แต่นี่มันก็พูดออกมันบอกผิดบอกถูกได้แล้วเรื่องนี้ของเท็จของจริงมันรูก้กับทุกคนมีอยู่กับทุกคนแต่ท่านสงภัดกับความรู้จากตัวเนี่ยเป็นเกณฑ์ที่วัดเอาไว้เป็นฐานเอาไว้เรากรมาฐานที่ตั้งให้การกระทำ อาชีพชีวิตเรื่องนี้ให้สะดวกในเรื่องนี้อย่าไปใช่อย่างอื่นให้เราเกี่ยวข้องก่อนก็ให้สะดวกเรื่องนี้คนหุงข้าวก่อหุงข้าวให้รู้จักตัวเรื่องนี้คนป่าเพลินก็ให้รู้จักตัวได้คนเดินยังก่อนก็รู้จักตัวคนนั่งสร้างสติก็รู้จักตัวนี้อันเดียวกันแดียร์สามารถ จับบันไดเป็นเกนฑ์ชีวัตก็ได้อย่าให้งานการงานพาหลงย่อยาการงานพาผิดใช้ความถูกต้องกับการงานได้ทุกรูปแบบไม่ว่าสมาติ ส, ส, สมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวา สัมมาวาจามาสัมมาสติสัมมาสัตวที่นี้ทั้งหมดเลยไปตลอดโลดฟังจริงๆหนดเลยกันเรินชีวิตตามหนทางนี้เป็นความถูกต้องแล้วก็สัมมาสัมมาสัมปาไปหมดเลยไม่ใช่มิจฉามิจฉาแต่ก่อนเป็นมิจฉาได้ความเห็นผิดความอะไรทั้งใจใจผิดพูดจาผิดวันวันลู่ละมไปได้ถูกหมดเลย ว่ทานธรรมะได้ถึงความดับทุกข์จนจุดหมายปลายทางสมควนใจเวลานะเนาะพวกเราก็กราบพระด้วยกัน